ที่ประเทศแคนาดานะมีครอบครัวหนึ่งพ่อแม่ลูกย้ายบ้านบ้านที่เขาย้ายเข้าไปนี่ก็เป็นบ้านหลังเก่านะบ้านฝรั่งนี่บางทีเขาอยู่กันเป็นสองสามร้อยปีเลยนะบ้านเก่าๆสามสี่ร้อยปีนี้ก็มีคนอยู่กันเพราะว่าเขาสร้างด้วยอิฐนะบางทีก็สร้างด้วยหินนะ เพราะฉะนั้นนี่บ้านอายุสักสองสามร้อยปีนี่ก็ถือว่าไม่ใช่ของหายากบ้านหลังนี้เก่าก็ไม่ทราบว่าเก่ากี่สิบกี่หรือว่าเป็นร้อยปีย้ายมาได้ไม่นานก็พบ ว, ว่ามันมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นในเวลากลางคืนนะมันไม่ใช่แค่มีเสียงดังกุกกักุก ก, กแต่ว่ามันมีอย่างอื่นด้วย ทีแรกก็นึกว่าขโมยเข้าบ้านแต่ว่าขโมยก็คงไม่ใช่ละเพราะว่าของไม่ได้หายอะไรเลยแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือบางทีก็มีเสียงดังเพราะว่าโคมโคมไฟมันตกตกลงพื้นบางทีตื่นขึ้นมานาฬิกาหรืออ่าไม่นาฬิกาแว่นต า, น ท, า, าที่วางไว้บนโต๊ะก็ตกมาอยู่ที่พื้น เราก็เลยผวากันนะเพราะคิดว่า <c oughs> เจ้าที่หรือว่าผีนี่คง อ, อารวาดแล้วาเป็นอย่างนี้อยู่ทุกคืนทุกคืนนะก็อยู่ด้วยความผวาแต่ไม่รู้จะทำยังไงดีนะแล้ว ก, ก็มีคืนหนึ่งลูกชายก็ก็ ดูโทรทัศน์นะเปิดโทรทัศน์แล้วเปิดโทรทัศน์เสร็จก็จำยอนก้นลงบนเก้าอี้โซฟาไม่ทันจะนั่งก็เหลียวมองไปเหลือเห็นงูเหลือมตัวใหญ่เลยนะมันนอนอยู่บนโซฟาเหมือนกันใกล้ๆกล้กันเลยห่างกันแค่ฟุตสองฟุตเท่านั้นแหละนะก็คือแค่ศอกมันตกใจเลยนะ งูเหลือมีตัวมันใหญ่มากเลยก็เลยรู้ว่าไอ้เหตุผิดปกติที่เกิดขึ้นทุกคืนทุกคืนนี้ไม่ใช่ผีหรอกนะเป็นงูนะงูมันเข้ามาในบ้านอันนี้ก็มักจะเกิดขึ้นนะกับหลายๆคนเวลาเจอเวลาเจอเสียงที่มันผิดปกติหรือเหตุการณ์อะไรก็ตาม คนจำนวนไม่น้อยเนี่ยก็สรุปไปแล้วนะว่าเป็นผีนะแต่ที่จริงไม่ใช่หรอกมันเป็นสัตว์นะอยู่วันนี้มันก็จะมีเสียงแปลกๆอยู่เยอะน ะ, ะครูบาอาจารย์หรือผู้ที่เขาอยู่ป่ามา ก, ก็จะบอกว่าเวลามีเสียงผิดปกติขึ้นมาเนี่ยให้สันนิษฐานไปก่อนนะว่าเป็นเสียงธรรมชาติเสียงธรรมชาตินี่ยเป็นเสียงลมหรือว่าเสียงสัตว์ก็ได้ นะถ้าไม่ไม่ไม่คิดอย่างนี้ไว้ก่อนนี่มันง่ายนะที่จะนึกว่าเป็นผนะีเคยสมัยก่อนนอนอยู่แถวๆบนเขาเนี่ยใกล้ๆหอดตเก่าที่นั่นก็มีแค่กุฏิอยู่สองหลังนะสมัยก่อนกุฏิมันมีน้อยนะสุกโตะประมาณกุฏิสองได้นะก็ตื่นขึ้นมาเพราะมีเสียงเหมือนกับเสียงมันเสียงตบนะ เสียงตบที่ข้างฝาแต่มันไม่ได้ตบข้างในนะมันตบข้างนอกเสียงเหมือนคนเนี่ยเอามือตบเลยนะแล้วก็ตบทีๆตื่นขึ้นมาทีแรกก็ตกใจนะว่าโดนผีหลอกหรือเปล่านะแต่ว่าตั้งสติดได้เพราะว่านึกถึงคำที่คนก็บอกว่าเนี่ยอะไรที่มันผิดปกตินี่ให้สันนิษฐานว่ามันเป็น เสียงของธรรมชาติเสียงสัตว์ก็เลยลองลงไปดูนะนะถือไฟฉายก็ลองลงบันไดไปดูเดินอ้อมกุติก็ส่องไฟฉายไปที่ต้นเสียงนะก็ปรากฏว่าอ๋อมันเป็นตุ๊กแกนะมันฆ่ามันจับมแมลงตัวใหญ่ได้มันก็ฟาดฟนะาดกับข้างฝ้าให้ตายอันนี้มันก็ <c oughs> เป็นการยืนยันนะว่ามันที่นี่ไม่มีไม่มีผีอะไรนะมันมีแต่สัตว์เท่านั้นเองหลวงพอ่อคเขียนเคยเายฟังว่าเมื่อทักสามสิบกว่าปีก่อ น, นก็มีโยมคนหนึ่งเข้ามานอนที่ศาลาศาล า, า, าไม่ใช่ศาลาหลังใหญ่ศาลาหลังเล็กๆแล้วทุกคืนเนี่ยเขาเด้นเสียงตึงๆๆๆเนก็ตกใจเอาไฟฉายส่อง ก็ไม่เห็นอะไรถ้าเป็นอย่อยู่สองสาคืนนะสองคืนได้มั้งเขาก็ไม่ไหวแล้วมาบอกหลวงพ่อ่าขอย้ายผีมาหลอกหลวงพ่อท่านมีประสบการณ์ดีนะท่านก็ท่านก็ไม่เชื่อนะแล้วท่านก็แนะนำว่าเวลาได้ยินเสียงเนี่ย ให้ลุกขึ้นมาแล้วก็เอาไฟฉายส่องเลยไปที่ต้นเสียง <c oughs> ไม่ใช่ง่ายนะส่องไปที่ต้นเสียงนะเพราะหลวงพ่อเชอื่อเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ผีหรอกนะ <c oughs> เขาก็เชื่อนะพอมันมีเสียงดังอีกนะกลางดึกตื่นขึ้นมาก็ค่อยๆนะเอามือเอื้อมไปจับไฟฉายแล้วก็ส่องไปที่เสียงนั้นบอกกว่ามันเป็นเสียงของไอ้ตะเกียงนะตะเกียง ตะเกียงน้ำมันนะที่นี่แตะก่อนเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ได้ใช้ตะเกียงแบบตะก่อนไม่มีไฟฟ้านะมันใช้ตะเกียงแบบขวดนมนะขวดนมแล้วก็ใส่น้ำมันแล้วก็มีเชื้ออยู่เชื้อนี่มันก็ตอนนั้นเขาใส่ใส่น้ำมันมะพร้าวมันไม่ใช่น้ำมันการนะเป็นน้ำมันมะพร้าวสมัยก่อนจนนะน้ำมันการแพงก็ใช้น้ำมันมะพร้าวเนี่ยเป็นเชื้อแล้วเวลาจุดไฟเนี่ยก็ มันก็สว่างนะแต่มันควันเยอะส่องไปปรากฏว่าไอ้ที่เสียงดังนี่ก็คือไอ้นี่นี่แหละนะตะเกียงนี่แหละนะแล้วก็ที่มันเคลื่อนไหวได้เพราะอะไรเพราะพราะหนูเนี่ยมันคาบไปหนูนี่มันชอบนะไอ้น้ำมันมะพร้าวนี่มันหอมแล้วเชื่อมันก็ชุ่มด้วยน้ามันมะพร้าวมันก็ลากไปนะมันลากไปมันก็เลยเกิดเสียงดัง อันนี้ก็แสดงว่าไม่ใช่ผีนะมันก็ก็คือหนูนั่นเอง <Yeah. S 1> อันนี้เป็นสิ่งที่ เ, เกิดขึ้นเป็นประจำนะแต่คนที่ไม่มีสติก็จะหลงเชื่อหลงเชื่ออะไรหลงเชื่อความคิดนะความคิดเนี่ยมันมันสรุปไปแล้วนะว่าไอ้ความผิดปกตินี่เกิดจากผีเกิดจากสิ่งที่เหนือธรรมชาติ สมัยก่อนเนี่ยพรรษาแรกเนี่ยอยู่ที่หอไต่พักที่หอไต่เก่านะมาวันแรกเลยก็มีพระก็บอกว่าเนี่ยถ้าได้เสียงเหมือนกับผู้หญิงร้องนะไม่ต้องตกใจนะเสียงมันร้องโหยหวนมากมันก็ร้องโอ้ยโอ้ยนม่ต้องตกใจเสียงอีเห็นนะถ้าเสียงมันก็ดังยิ่งนะถ้าคนไม่รู้นี่ก็จะเรียกว่าผวาเลยนะ สันเรียกว่าเย็นไปทั้งตัวเลยเพราะเสียงมันเหมือนเสียงแม่นาคเลยนะถึงแม้ไม่เคยได้ยินเสียงแม่นาค ก, ก็ก็ต้องเดาว่า น, นี่โหมันคล้ายกับเสียงแม่นาคร้องเลยเพียงแต่มันไม่ได้ร้องเป็นผีมากไม่ได้ร้องเป็นผีมากมันร้องโอ้ยแ ต, แต่พอเรารู้เข้าเออมันก็หายมันก็ไม่กลัวแต่ถ้าคนไม่รู้เนี่ยก็จะไปหลงเชื่อไปสรุปแล้วว่านี่ต้องเป็นผีอันนี้เราไปหลงเชื่อความคิดของตัวนะ นะกัลามาสุนนะมันมีข้อหนึง่งกัลลามาสูนมันมีส0บข้อนะข้อหนึ่งก็คือว่านะอย่าเชื่อเพียงเพราะความคิดนึกตึกตามอาการหรือว่าคิดนึกตึกตามเหตุผลหรือว่าอย่าเชื่อเพอียง เ, เพราะการอนุมานนะอย่าเชื่อเพียงเพราะการอนุมานเราไม่เห็นกับตานะแต่ว่าเราสรุปไปแล้วเพราะว่ามันมีเสียงดังนะและเสียงนั้นเนี่ย มันไม่มีใครมาทำให้เกิดเสียงเพราะฉะนั้นก็สรุปแล้วว่าเป็นผีเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติแต่ลืมไปว่ามันก็มีสัตว์มีธรรมมีธรรมชาติที่มันทำอย่างนี้ทำเสียงแบบนี้ได้เหมือนกันบางทีลมก็พัดนะพัดลูกไม้มากระทบกับหน้าข้างฝานะอยู่หอไตสมัยก่อน ก, นก็เหมือนกันนะเด็ๆ ก, ก, ก็เหมือนเหมือนกับมีคนเนี่ยเอาก้อนหินมาควางที่องฝามันเป็นงี้อยู่บ่อยๆนะ แต่มาดูทีเอ้คงเป็นเพราะว่าลมนี่มันไปนพัดลูกไม้เนี่ยตกมาก่อนที่จะตกพื้นมันก็มากระแทกกับข้างฝาพอเราคิดแบบนี้ได้ก็สบายใจนะไม่กลัวที่นี่เดี๋ยวนี้มันมีสิ่งน่ากลัวน้อยลงนะหรือเ ห, เหตุการณ์ที่น่ากลัวน้อยลงแต่ถ้ามันเกิดขึ้นก็ให้รู้ว่าอันนี้คือธรรมชาตินะอย่าไปเชื่อตามความคิดหรือการอนุมานของเราเตรียมรับพร